ประมาณ5ปีติดต่อกันเวลาก็ใกลๆจะประวัติจบ่ได้หลักครับแล Ein, ้วก็ไม่ได้ฝังมีอางงเ์เล็กๆมองไปทางหน้าตาเห็นใช่ไหมเราจโลกไปโลกภาพเดินกระทัพนิ่งอยุแล้วก็การเห็นนิดนี้ก็ติดต่อก็เป็นประจำแหล้ายหลังไี่ได้เห็นภาพของเรานั่แล้วครากว่า แล้มมีความสบายแล้วก็หายจากโรไปไข้เ็บตึงึงตัวเราัแต่ว่าก็สืกตอนนั้นฟเสวยอีกอย่างหนึ่งตอว่าอะหรือว่าเป็นควาเสดจาวเอ๊ะหรือว่าเป็นเอโซเอหรือวธมเอ๊ะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า่ได้าใคอรู้ว่ะวอเย ว่าไปเลยเรียนสาเพื่อความสบายใจแต่จริงๆแล้วติดกปล่เจ้าเวแต่เพื่อจตเมือนเนเวลานั้นอมณ์มันุ่งนสมาธิคนนี้ก็เวลาตแล้วไปนรกตัวเากลี้ยงไม่ได้จ้าโอ้หลวงพ่จาใช่ตอนนี้เวลนแล้วน พระาหลอที่ผนอย่างสมรลูกเป็นคนที่มีอารมณ์ดีดีทำดีโอ้ดีตั้งคันสัตย์สอนตามหลวงพ่อดีรู้ประการดีนะครับนียูตามากที่หลวงพ่อสอนรู้ประการ โดยเฉพาะอย่างเรื่องนิพพานนหลักเป็นเปรตแต่ที่ล erm ูกสงสัก si ็คือว่าวัดนี้หลายๆเดือนจะมาพบหลวงพ่อกันนั้นแต่ก็ฝากเป็นพราะคามลู่ไม่ได้มีโอกาสปฏิบัติวัดาดอยวใกล้ยึดหลวงพ่อเลยลูก็พจะแหวว่าเอ๊ไปุ่งิหลวงพ่อมาได้ใคร้ึดหลวงพ่ออย่างนี้ผมจะมีโอกาสไม่ทีานได้ยากระมันเนาะนยมันจยาก ภาพเสิ่งที่ถึงเสมอนะท่านพูดก็ใชคิดแต่มาใจไม่ถึงไม่ได้เลยว่าขที่ด้ก็สมกันไปด้ือยๆแบจุกๆจจะพูดหรือทานี่จะูคิดถึงคิดถึงตายข่าย้าข่าระี่เป็หาสายตาเนีครับอยู่ไกลก็เมันเป็นลาย ใกล้ใกล้ได้ได้ชอบปฏิบัติตามนะถ้าไม่ปฏิบัติตามก็ใกล้ใกล้ไม่ได้แล้วฮัลโหออมากดากเลยเออทานข้าวก็พอที่พระรถจากแหฟังวันนั้นอ่านวันนั้จะมีทองหรือล่าีจ วันนั้นอ่านวันนั้นแล้ะก็ชอบใจวันนั้นแต่ก็ไม่หาแล้วไม่รู้จะไปหาที่ไหนเลยต้องหาวันนี้ออวันนั้นานแล้วหาไม่ได้ออคือวันนั้นหลวงพ่อพูดว่าคนอะไรเทวดามันรักข้าวเรตตาในในไม่ใช่เมตนะเมตตาจะไปห า, หาในหนังสือบทคนไม่รู้จะไป แย่อยากสู้อยากได้อยากตรวจอากภาวนาแลยก็เป็นก่อใจก่อใจโอ้ไม่เป็นไรมึงเจว่าใจคนนี้ใครเรามึงราคาแค่ไหนนะจับที่เดียวมันไม่ได้หรอกนะใครจะตำหนิเลยกะมีคนไม่เอาใจกันมันทำได้จังหวะเอาใจไปนะคนตึงขาดระเบียบเมื่อแม่เนี่ยมาหายระบ อยากจะรู้ดังนั้นก็ให้ในกรณีทีว่านอำนาที่องมีนะครับใชใจ่ครับถ้ภาวนาก็้วจได้หใจอะไรเนี่ยโอ้นี่ิดหม่ถอดด้ามพอผไปกิดหม่อดตั้มก็มาเพื่รนี้เองอันนั้นั่อ่ะนี่เหรอก็ด้ อะไรทุกอย่นี่จ้าเจ้มาสอนจำเลยเออนี่ทำอะไรย่ลูกมาแก่แล้วเรไปลูกทีตหม่ขอนจัเพิงมาพบหลวงพ่อไป่นานนักแต่ก็พ่อใจพระ่อที่มาคอยตลอกอย่งไม่สมสมใจเดียวคือรอยยิของหลวงพ่อเทั ไม่ไม่ไม่ต้องไเงินเอ้ะไรนต้องตออะไรงานยืมก็ยืมเอ่อไม่ต้ไป่ได้หลวงพ่อปพระที่ยืมนาที่สุดในโลกพระม่ไหนไหนไปแล้วถ้าจะยแป๊บเดียวเดี๋ยวไม่ได้แ ผมอยากจะเรียนถามหลงพ่อปฏิบัติว่าวิธีจะฝึกอารมณจิตให้สบายไล้สีและยิ้มได้นานผขอยากหลวงพ่อนน่ะยังฝึกแบบไหนครับไม่ยิ้ม้าย้จยิ้มจาก่าฮ่าฮ่าฮาฮ่่าฮ่าฮาฮาฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่าา่าาาาาา อารมณ์สบายใจดีเวลอยู่นี่นึกถึงธรีหน้าตาดีดียังเหงื่อตาไหล้จับจบแล้วก็ต้องบอว่าต้องมีจิตใดีนะใช่ใช่แล้วไปเด็กไปไอ้เร่องท่องมะยิจัยิ้มจักต้อง้ื่นเระหนกยิ้มได้ผมมีสถิตย์ก็ไดเนะยิ้มยิ้มยิ้ แกตอบก็คุยแต่เราที่มาตอบไปอันนี้กาติพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพอยางสูงก็พลายนีผ่านมาได้ยิงมูงูงูเหลืองูเหลือทีมนตายแล้วมานม่าตาหมดล้วตัวเดวเอากวกมันเหือนะ อ้หมาดได้มีคนเหลือตัวหนึ่งซึ่งไปอยู่บนบ้านของลกอยู่ภายในห้องของน้องชายเวลานอกทายของกระผมจออกมาพันทันภาพขวางไม่ทันดีให้ออกชาวบ้านจะต้างโกรธตกใจไปอย่างมากเพราะว่านตรงนีไม่มีทางที่จะช่วย ไ, ได้เขอาอาวว่าเป็นลางร้ายไม่ดีแน่แต่ลูกไม่เชื่อว่าจะเป็นลางร้ายลางดีประการใดขอศึกษาเลยหลวงข้อดีกว่ า, า, าว่าเดิม มูลเหลือ่ปรากในลักษณะอย่า ง, ง น, านี้จะเป็นบูลจริงหรือมกลลอมอเป็นลางดีหรือลาลายล า, ยา้าจะไม่ให้มีไม่ให้มาจะทออับ า, ายเจ้าชายไม่เยอะแหมอะไรจากะจะมหาลเเชื่อนะข้างคอเชื่อเอนังได้ขายโ <laughs> อยอไีอ่ไม่มาลาเลยเหรอไม่ะนอกด้จริงจังครับอ้แต่เลยยาเร า, าร โอเคแต่พิสูจน์แล้วกันไปตามเรื่องตา y ราวนะอยากจะพูดผู้ใหญ่ที่ได้รับติดไอะตไรอะไรนะคนที่มานั่งนั่งอยู่อะไรเปล่าอูวาเออเขเททนหมา้าราได้ค สาธุว <honestly> <ส leaf foundation>ัเก <cooper> ิดของธรรมชาตินะโอ้ย่อนจะแีเราเพืนไปแล้วได้ได้ไดนะในเรื่องงูเนียเ้นานเลยลูกก็ยูกนี่ตายลูกนี้งดนไปตาย็่อแล้วพ่อจาลูกอยากจะขอคาแนะนำจากหลวงพอหรือว่าอย่างนี้จะแบบก็จะทารูปแบบไหน และจะ ท, ทมบูญด้วยวิธีใดที่ระยัดที่สโง ท, ที่สและมีโอกาสได้มรรคผลที่านเหมือนเหมือนกับลูกติดของลูกพ่อทั้งหลายวงเวล็กสัวใหญู่เป็นลกพ่อรวยแต่ลูกยังกอจูบมีรรมะที่จะไปที่านแต่ลูกเปินวนมีม้างไปเจ่าหร่นนมือเนียโดยก็มีนก็มีมือมูกพ่อแต้แวี่พ<อ>านจนจมเินเล็กๆล็กกรงไม่จำเลอที่มันที่พานเนี่ย เมึ่งตัดโมลภาทำเโลกไม่อยาได้กสถึงใครเลยไม่ต้องทำถ้าเขาให้เราดีอดใจเราเอาเขาไม่ให้ลดไปไม่ลดใจสองตัดเธษตาทาตนคิดวราษาหินงห้ารลดข่้นสามตัดเมหักทำหลงคิดว่า้าตีมันบังจะดีคนตายนะต้องการไม่ใา่ ใช่นี่แหละไปไดโอ้ี่ตงงไม่ได้เหนาบากไม่ต้องเสืเลยโอ้บิดธรระสัพพโยนะใช่ใช่ผมเล่นเรื่องไรแบบากเา้าัดอลไราผ่ตวะตัวะนิ่มมากดตาแต่นี่มันมันน่า้จะ่าวาไอ้ัโมีนึงอะไอ้จ้าพกทตัดยากทุ่กที่หน่ย่ผังไ แล้วก็ได้ต่ถ้าเขาขายเจ้าชายานจะกินแล้วไม่กินก็ทำมันเถอะกินแ้กินล้วมัอรถ้ากินแล้วก็ซึมเลนฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าร่าฮ่่าฮ่าก่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า่่าา่่่า่า่่ เวลาที่จใหม่เเ่แไว่าแ้วไปทางห้มไปทางหงินได้ใชเวลาก็เร็ยว่านหายใจครับสงบธรรมะปฏิบัติเพื่อราดตโมานมหนเอง้ขอบข้นาขอมอาเยอจะไปไป่อเลยนะ เพาว่าหขวงพ่อก็เรียกสั้งแตรูว่าหน้าแดงหลังมานหนาหน้ามีหน้าอันนี้เราทา่ได้การท้าวัฒการประเด็นของคุณหวงพอที่เราต้องทำโองเวลาที่ราจะเดินราทำมาฐานเราพยายามเอาจิตที่เราอยูนที่สัญญาแล้วพิจารณาดูตายแล้วเป็นซากศพหน้าเปกระเ็มาหน้าจีจริงๆพอเราิดไหน้าเจริงๆ แต่ที่เรียนถามแลวงพ่อก็คือว่าผมไปอยู่ทนิพพานไปแล้วไม่กี่นานประเเขาแวลงมาอแล้วก็อยู่กระกายนะว่าพุทก็คงมีซึ่ไปได้ัเดียวเดียวโดยการจะขอสรุปเรียนถามไปก็พ่อจะพิว่าเดิทำอย่างไรจึงจะอยู่ที่นิพพานได้นานๆขอรับเอายพอจิต ถ, ถึงแทนปัจุบันถึงตัว น, นี้นะ จิตโตจิตโตแล้วเหรอใช่โอ้ใจจิตถึมีความตัดเชื่คอเลยและยังม่ดูนานเลยนะจิตใจเลยนานก็พอริยะเขาเป็นตัวที่หายหรือเปลท่านพอริยะท่านรวมากครับครับตอนนี้จะจำดาพวกพระที่อยู่โดการหมดพระภัยนะครับครับน่มันท่านได้ตัดารงทีท่านคิดอะไรใจไม่เคยเบื่อที่ไ อาจารย์เราจะมีทืหงจะขอค่าทีนะพอมีจํานมนเอคทสัมมิการเลย้วที่ทำงานกะไ้งานหนุนครับครแล้วก็ต่อต่อวิจะพิารกายเนื้อเลือให้เกิดความประเพาระตุ้ใจให้เกิดหายเกิดความอะไรม่อยากต่อไอี ไิธที่จะพิจารณาเกิดต่อ뇌ต่อจิตใจชนิดที่มะคามสงสารสว่างของรูปข้อลูปขอถายเพราะสเปกน้อยว่ารูปข้ออัาแอบหายไปแล้วเห็นพันเยอทุกอย่างต้องอยากเลยะครับวันนี้พูดมาจบคุณไมยอมเลยี่หน้าพีน้องก็ไปจสามสิบยังไม่จบเลยร้ิจารณามากเพยาะอะไรไหมทำ ไปไหนขึ้นต้นเป็อย่างดีใค้คือคนใช้ไหลคือกาทําดีไม่ผูกเกาะตมราคนใดถ้าคนเขียนตำรามันจะทำมันได้แต่ก็ทาตามมันก็เลยไม่ได้ท่านผู้เขียนท่านผู้ปฏิบัติอะไรก็แต่ละตำราถ้าเราได้ได้พิดแต่ความเงินทองเงินมาลัยแต่เรือเหตุผลเกี่ยวไป ปฏิบัติจิงๆแ้เอาสามท้ายสรหลังจากไปสอนก็บรมรัยนะที่เือนเมายนปีที่แล้วนั่งตายตายเป็นแต่สม่เดอนก่อนที่เมองอุต่มะมันตั้งตจสองทุมไปติมอาสามโมงเช้าเลยหลายคนบอก ทำให้เขาจตายนะบางคนถึงได้เขาไไม่ตายเพราะอะไรเนี่ยเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะวันนี้แรกเข้าโรงพยาบาลฉันอึดงูเวลาใกล้สองทุ่มนะวันอื่นเวลาที่เวลาที่น่ยาไขเียนจะนก็ตงใจะนอเ่มา เราเกิดขึ้นมาทางเดีย่ท่านัไม่ร้ว่าท่าไูารปทเจ้าหเานใจใจเจ้าที่ทางไหนมาคุณนั่งนานเขาบอกไอ้เป็นตำนานอะไรอยางุากนะไม่รู้ตาพคำอ้ระไ้่ว่าเอาะกันท่นนั่งหน้ีตามไป ท่จะพาลงไปตั้งต่วทีชี้เื่องเงลึกทุกข์งทุกข์เงี้ยสุนทรภิกษุที่ขาดชี้ว่าเป็นทุกข์มันสวรรค์ทุกขที่ดูดีทุกข์ถ้าถึงคนทท่้ั้ันนะน้ยว่าผมพานมาได้แค่ีไปีของท่านผมไม่ ถาวใสๆไปดูพานเป็นขนาดกไปนี้ยทางสวยเนีเหมือนก็แก้วยทองสาทางไงสวน้ยตั้งเอาไว้ไม่้ก็ก็วาสังรตั้งที่ถึงงประเดี๋ยวกำลังแต่อะไรมันกกเล่าพอเข้าเสื้อผ้ายังโบกๆมันก็มีไข่สั่งแล้จะไม่หว เป็นไปเป็นมาเป็นมาเป็นไปก็พระฤาษีก yeah. ็ไปเจวัดว mm. ัดหนึ่งมีกู้ติดสามหลังมีผู้ติดหกีหลังหนืองชายเลี้ยงสมากหัวก็สวยชายผางมันเจ้ามือสมทองสวยมนะแล้วก็หน้าก็แพงหน้าก็สูงเข้าก็มีใต้หลังนี่สิเขาจะเรียเป็นวนพี่คมีภรรหาเพาผ่อนซะไปแล้วก็ถ้าเกวันมันไม่ดีใครเลย ก็ไม่ต e yeah, mm. well so ้องมีวัชพลาต็ไม่มีแต่ได้ใจแล้วมันมันใหม่กันนะไเ่สำะมืคเยอนะตปเดนไปเที่ยวถึงหัวขงเพจังหน่อยกตมาถึงหัวขังนหน้าประจำที่ตระหนกก็เห็นไ่าลูกจาดิออมาถ้าไม่เข้าทางมือขไมยแกันไแต่คิดว่าถ้าไปจ้าวข้ามมันเรื่องนสูง พอเราถึงก็แทนเราขาดแยกไปพอต้เดินไมันแติดตามเดิมถ้าถึงแค่เมือนนังเงับเพาะต้องนังเงียเข้าถ้าราลงลงล่างเปล่กตึงนะผู้ทีเกาคเห็นเคยเห็นด้วยกันได้คำถามว่าเธอเธคิดไหมว่้ชาตินี้จะมันมันก็บอกไม่เคยคิด ถามทำไมจะไ่ค so ิดจะบอกว่าแบบนี้มันอ่อไปท่านถามว่าที่นี่เขรยอะไรบอกไม่รู้ท่านถามว่าตั้งมไม่รู้เมาอกว่ามาเขาไดผ่านศูนย์แที่ที่มนมีศูนย์มันมันมี่่าลบอกว่าที่มันทั้งหมดมันเป็นวัตถุสมเธอที่มันผ่านถามหลังเลยใช่แล้วก็เทือดอันสวยคนตาบอดจิตก็เรื่องหนไง นำไม่ดีแน่ไพูดนะตาตุลาตุลาใช่ต่บางทีมีความอะไจะมาไหมตกไม่มาถามทำไมไม่มีแรงกำลังไม่มีนะถ้าเราเอาเวล า, า, าคัง30ไม้จงขนาดยาแค่สอกสามข้อไอ้สิทธิ์แท้แม่รางมากเรไม่ใายแตเรียอว่ามาสามคนเอ้เก้าคน ถ้าแต่และอดมาถึงก็หยุดยิ้มหนึ่งมองหน้าหยุ่ยิ้มหนึ่ง้าหยุดหน้าคือคนมาทอดแต่ ท, ท, ท, ท, ท, ท, ทอดมาตอนทอดแล้วทอาหยุ่หน้าทอดหยุดหยุดที่สันถ้าบอกใครจะยกไม้ดีจะยกไม้ดังขึ้นตามที่ผ่านมาใช่ไหมถ้ายกไม้ได้ขึ้นมีความไม่ได้ไอ้เราก็บอกได้ไหวครับแต่บอกนี่เปงนอีอย่างนะ ไม่จะทขอร้องก็ต้องไปเขาีแค่เยอยากเยอะมไม่ไหวแล้วไม่ไแล้วเนี่ยถอจักจะต้องพ่ยยับแยเยอยังจับมัดเปที่อยู่นะถ้ายูดปั๊บมันเบาลงก็ะดับอีเรื่อนมาธิีดินตามพระเจ้าองค์ไปเดนไม่ได้ต้องมดนะฉนบอกมันดีกว่าทำไม่หวางจับไปจัมันเยอะื่อกระจายยางนคน เมื่อเมื่อจงยันม่เบื่อมากยื้อทุกัเดียใช้ได้พอแล้วหูแปดาก็ทำหลักฐนแล้วได้ทุกตัวเดียวเห็นไหนี่ดีเดกนะเอจิตเพ่ตามสอตัวปุ๊กท่าตามท่านอนหอามท่นสอามท่สอนสอนจริงแต่ที่บตเดือนมหมายถึงวา้ไม่ใช่ดเจ โอ้แต่ว่าที่ยึดศีลสัตว์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นวันที่สายหนึ่งเดือนทุกเียให้เขาไปตามที่เปทุกเรื่เดินไปเดินบ้าไปก็ทุกมาวะทุกคือทำมาหาจิ้พระอรหันความทุกข์ทุกทุกอย่างนอนอยู่ก็ทุกนั่งก็ทุกยืนก็ทุกเดินก็ทุกทำงานก็ทุกทุกอย่างก็ทุกหมด นายสุดตายผลตับต่็นตายเพราะการผลิตเป็นตายพุทธนยสุดจะตายจริงแค่ถึงตายไม่เกนไประยชน์เพราะดูว่าถ้าถึงเงื่อนไม่ลดตัวนี้ใจจะไม่มาตามเลยถ้าไม่ามเงื่ยนนี้เราเรายังเห็นเป็นสุขไหมว่ามีสุขเหมือนเราดีเดี๋ยวน้หมอสอนต่อไปแล้วคิดในใจาจะเข้าก็ได้หรือมั้ง เราตั้งใจจมันซึ ma eh ่งเงี่ยแค่เซึ่งนะต้องจับมาใหม่ในทุกฐานเนยท่านบอกว่าขึ้นที่เราสมที่เพืนรับไม่รู้ทางใครามะหัดคเวลาได้แต่ในใจไม่สงสัยน uh, ั uh ้นอ you know uh ีกขอตอกทบอยูแค่เดียวละก็จบแล้ไม่จบในใจก็ต้องสมแมีลาบคนเลยเกินนะพระนโอโวยขอสุดเดียวทุกอย่างมีทุก ถ้าเห็นพระเจ้าแม่ฤๅอีก็้าเห็นแม่เห็นอนิพานอนิพานก็เห็นอรหันต์สร้งใจก็เป็นทั้งขายเกิดขายหยาดที่บอกว่าพระกฎอยากเห็โลกนี้ไม่อยู่หรือมีนิจุติใช่กีนก็ทุกข์ถ้าไในทุกข์เรก็ไม่จินต้องเสียอะไรทีจะพอเชื่อเลที่ว่าตอนแต่งานไม่หวมันมันนจ ใครที่ให้สมาธแต่คิดแล้วตกเขาคือความเข้าใจดีแต่งานใหม่ๆนั่นเหนื่อยมากดออต่งอนแบน่ดเยวดนอวเยนเดียวก็ได้นอนก็ได้ยู่ไะอะไรกิจก็ได้พอเรื่องหงทบี่เก็บไม่ได้แล้ว เลืกงใช้สักถินมากขึ้นพยายีมแล้วมาแต่ตรงนี้มากขึ้นดีกียหน่ยหนุ่ก็ดน้โอ้คนใหญ่มันแม่น่าจะคุ้นจังะพ่อทั้งนาแล้วไม่อาั้นไปรับฝามกงตั่างอะไรยนั้นแต่การกินด้เปเือนีสุดดีโ้นภาคใต้ใต้เนี่ยนครับครับเาหน้าเขาฝากยอดกินได้พุ่เท่านั้น ใช่เปิดามไปเพิจราไปสร็จะเจ้ความสนตาอ้เยนีรต้องยี่สิบปีไม่ไเื่อันองไ่แคเดียวทุกวานนี้อี่บอการเจ็ดมีแปสิ้าอย่าอะไรเรายอพิารายีเอ็ดพวกทองทองทองทองแล้วไม่กิใครไม่ได้ใช่ไม่ได้จิตมันมากเยอเย็ตัดได้เย็นนั่นตัดไมโอ้่าบา โอ้แคตัดตัวตัเดียวเ้ยแ่ตัวเดียวถ้าางที่พีู่ดทีหมายถว่าต่อจะต้องตัดกอย่างหมดให้เห็นทุกเหมืนกันหมดให้เห็นทุกอย่างเดียวเพาทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นรูปารถุไม่ม่าอยู่เจดาใกับคมที่ทังถูกจริงแต่ทังหมดนี้หมดทุกเรื่องมานาจมีเจ้าแต่มาทุกใหม่ไม่ดีไปรูปานถุกว่าแต่พรายรูปารถุทางไหนเพื่อเนี่ยตัดโลภความโล สองตัดตัวสาวความโกรธสางตัดโมหังความหลงแม้ร่างจิตเป็นทั้งขาวที่เปิดภัยญาณเฉยเฉยแต่ไม่คนโดยเฉยให้ตัดเฉยแต่เห็นหยไม่เฉยโอ้เราไม่มีตาทำไมมีโอ้ไม่ได้ตัวสายจ ต่อไปก็บอกว่าสาธาระนักสการ์ประเด็นคุณหลวงพ่อที่รัเสี่ยงโชว์ได้พระผรมได้ปฏิบัติก็ต้มาาโดยเฉพาะอย่างที่ก็คือว่าแะได้ให้พุทโธจิตจะหน่งแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นนรมะมาราก็ดิงกันแตรว่ามันไปบนแนวราแบบแต่เวลาภาวนาธรรมะาที่จะเห็นชันเจนจับสายตากลางตังแต่พอภาวนาพุทโธการเห็นก็ลาๆ พระท้งพุทโบอกพระพุทธเจ้าถามองตาลูเจ้าเป็นกระไหนล้วแรการเห็นของลูกจึงเห็นไม่เหมือนกันทัานจงเหมือนจังไม่ได้ทุกเทวสุขกุลกุลโกะนวราชทัตพิญญาเป็นเรื่องเลยแต่้าที่สุดสองอย่างควลาไหเรื่องการที่มาแบบนี้ทางแบบนี้ถ้าเวลาจะเขียนนั่นเขียนนั่นก็เ ต่างกันสามนะขอขอหมาละหมดละหรือไม่ใช่มาจะจะเป็นอ๋อเลยเราสองมือหลแล้วามตอนนั้นเลยมึงมาขึ้นมาตอนน้นก็มือแสดงแปดพอต้องไปสี่พอสี่สามแปดสามหกจอนาทพอวตอนนะ อาวัตถ์โกนิวัตถ์โกหิบวัตถโกเยสวาตถ์โกเฮราวัตถ์โกวันนาวัตถโกทุวัตถโกโกตุตัสเพธาทุเพรโหกิลยาเวลาตุาัสัตวมาาินสัิิสาสังลาภโสติยา สุขังเป็นนามิยะจัณโนยภูเขาปุถิสวาสตรานาญุจิติวจิติสุวรรณคุตุลังสมะจงโตภูวาภูมิวันสมาริวานิโรธาตุภูตตาสมุ อมนต์นาวะสามีคุณปฏิันะสวะโตตัม